Mo tacha akkoato sama samputacha na mo tacha sama na Samma samma samma sammi kare na tamasvannam. Dit maam karamot samanti. Knooppom soepen, bracht, pratam, pratong. Kooseren, pon, schar, schar, schar, schar, schar, schar, โอกาสทอทะดีไปเราจะได้ฟังธรรมะเป็นคํา ก้าวหน้าเป็นอริยทรัพย์ภายในเนาะอริยทรัพย์เป็น ฟังก็พานยากคนสัญญะให้เราตามเห็นธรรม เอาทั้งบุญได้สังฆกุศลฟังด้วยดีจิตสงบ เออก็ทําขึ้นให้ว่าตัดเครื่อง เพราะรายท่านๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ภาวนาทําไมจึงภาวนาพระพุทธเจ้าเราจะ ภาวนาอะไรทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งกุศลทําไมบุญเป็นพื้น ทำไมชีวิตคือลมหายใจทุกคนอาศัยลม อานาด้วยว่าภาวนา 500 ชาติดุแปล 500 ชาติเรารำลึก อัตตะวนวัฏฏะสมสารเปรียบว่าชายเกิดไม่รู้ว่าเกิดชาติไม่รู้เลย สัตว์โปปะสัญญ์รู้จักการเกิดการตาย เป็นบุญได้ยังมาได้เป็นอุตตสาหะนะเป็นบุญ นะปรตนปฏิเรด้วยปัญญาเป็นกุศลนะบุญแล้ว มันคือเหนื่อยยากลําบากปวดใช่มั้ยเค้า อวตารเจ้าก็เจริญดีก็โตรุ่งเลยนะ อย่าเคร่งเกินคำสอนอย่าย่อนตามตัณหาอย่า อัยยันตามกันหามักง่ายเสื่อชานัดวัน ให้เจริญภาวนาสายแม้พรุ่งนี้ท่านจึงให้ ดำเนินภาคปฏิบัติอ่ะปริยัติปฏิบัติศึกษาปริยัติสัมจิตติโคศึกษาแล้วปฏิบัติจะเห็นได้ โอวาทว่าคนหนึ่งก็ไม่รู้แล้วแต่ รวมปัญญาสมาธิปัญญาแหละสมาธิปัญญาแต่ว่าศีลเป็นพื้นฐานเป็นขอบครองกันตัวให้ความเชื่อมาทําลายความหรีศีลน่ะ พระพุทธเจ้าทรัพย์โล่รวยปัญญานะท่านยังเป็นอุททานออกมาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาชนทําความดีพระพุทธเจ้า บัณฑิตสกปรกถึงจะมีปัญญาก็ปัญญาอปยาศสุปัญญามัน กฝัญญาสทางโลก That after the world Tim, we are faced as the death of people. เป็นกฝัญญาสนแล้ว。มีความรู้ความสามารถ but what did we deliberately say? เป็ดทองการuffledความรู้ความสามารถ did not quite April,此言 as the interest of love ความรู้ความสามารถ biz, this wäl agua ti the way to deliver us เราไม่คัดความรู้ความสามารถ and do whatever it มูลนะเป็นชื่อของความดีนะคนดีเหมือนพวกเรา เสวพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วจิตตั้งคันตั้งทุกข์หาวะหังจิตที่ฝึกอยู่แล้วนำสุขมาให้จิตไม่ได้ฝึกไม่ โรคนี้อันตกขันในราชรสที่คนเฝ้า อ่าเป็นนักตายอย่างธรรมเรารับที่สุดห้องแหมที่สุดร่าง บุญไม่ช่วยเหรออ้าวบุญก็ช่วยบุญนี่มันเรื่องขันธ์ 5 ถึงจะอยู่สบายกินสบายนั่งสบายนอนสบายแล้วเกิด ขี้โทษแต่ว่าเอาการขายศรมาศึกผลดกตรง สำคัญข้อไหนข้อไหนก็เหมือนกันนะเผื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะให้เจริญเมตตาภาวนาต่อ เอาเสียอาภัสสไปแล้วกามฉันทะแทนที่จะนั่งสมาธิ ก็จะงอก 2 ร้ายผู้อื่นเมตตาเค้าชงชานเค้า เวราราักษานะเชิง่าก็คงใช้เวราราไหนเราระวัง คนเราจะทำชั่วก็เพราะจิตนะจะทำดีเหมือนพวกเราเพราะเพราะ อยานครในร่างกายของเราทับซีอัยาจิตราชาสั่งทั้ง อาโปตรูปรูปใหญ่ 4 มีกันคนนะหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีร่วมกันหมดทุก บ้านเราเข้ามาให้อยู่เลยนะถ้าคนหมด อัปปะตวิญญาณะวิญญาณออกจากพระสัมภาเวสีเข้าไปตามทางนั้น ถึงร่างกายเป็นมนุษย์แต่ทําชั่วเมื่อทําความดีแล้วอื่นขึ้นหากินเข้ามาแล้วก็นอนยัง ก็ประสิทธิ์พันเหมือนกันนะเขากลัวตายเหมือนกันมนุษย์ทุกคนก็เหมือนกันรักสุขเกลียด หาเราวังเพ็ญบุญเพิ่มเติมบุญมี อินทร์เศรษฐีก็ยังไปเกิดเป็นหมาอยู่บ้านตัวเองนั้นน่ะอีกกับลูกชายคิดว่าตายแล้วก็แล้วไปมันใช่นะแต่เกิดเป็นหมา แต่เป็นคนก็ยังว่าเราทุกวันขนาดถ้าเกิดเป็นหมาก็ยังมาว่าเราอีก ในความลูกชายเค้าไม่ยอมทําไมถึง หายเงินให้คํานั้นเอาไว้ฝังฝัง ต่อไปจึงโอ้ไม่ใช่เกิดเป็นมนุษย์แล้ว จะมีความหมายต้องใช้กรรมล่ะเป็นมหาแล้วจะทําบุญ จำเป็นต่อชีวิตจิตใจของเราก็เพราะวนคนนะ คนป่วยนะจะหายหรือจะตายไม่รู้นะบางทีก็หายบางทีก็ตายคนป่วยน่ะขอให้ได้ทําบุญทํา อ่าทีนั้นวันเกิดของลูกแต่ว่าวันตาย สมัยก่อนแต่ช่วงวันนี้ก็ผาว ตัววันนี้ก็จะมีชีวิตอยู่นะบนดอกนะทําไม ถ้าเป็นผู้ชายทั้งสองนะบุญรอดก็มีบุญมีก็ ให้ทําไว้ก่อนแล้วขณะทําให้ อย่างอเมริกาอันที่พวกพอประเทศไทยไปอยู่อย 15 วันก็ เป็นผู้นําแต่ละแห่งกัลยวัดพาเจอพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลก ชมเสื่อบศาสนาสงเป็นเนนนาบุญของโลกนาข้าวมีแล้วนะ ผสมจึงเป็นเนื้อนาบุญของโลกหว่านพืชเช่น 30 ชัดมีแว่กแยก ทานก็เหมือนกันทานะบารมีแสดงถึงน้ำใจ เป็นบันไดขั้นแรกของสวรรค์นิพพานฌานก่อนนะฌานอามิสสถานอรม ไม่ถือโทษโกรธเคืองกันก็เหมือนกับพระกับธรรมวัด ขนาดใจเราเราก็ยังทําไม่สูงเร แนะนำเขาสิ่งที่ชอบเป็นธรรมทานนะนี้ด้วยเราก็เข้า ศีลอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเราเคยประพฤติ อาจ 227 กสิณพระอรหันต์มีแบบภาพแบบกลางแบบละเอียด ศัพท์ทั้งหลายหามารวบปัญญานะนี่แหละ เราจึงปรับปรุงแก้ไขศีลวิจิตรใจของเราให้สมศบพอใช้ คนจักว่ากันคนจักภายในว่าจักทุกข์ว่าจะสมสารเอาปัญญาสอนตัวเองตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลมี ก็พร้อมบุญเราฝึกฝนมาแล้วใครจะป่วยแทนเรามีมั้ยใครจะปวดแทนเรามีมั้ยรักขนาดไหนโอ๊ยตายแทนด้วยมีมั้ยล่ะ โบนโจชน์ผลงานความมีความเหมือนกันมันจะเป็นนุสติ ขอให้มุ่นหล่นครับไม่รู้ว่าทําหมดไว้ ออกความเพียรเพื่อสํารวจจิตของตนให้หมดจด ไม่หาไม่เห็นไม่กินไม่อีกเอ่อศาสนาอ่อนวอนนะ ว่ามันเกิดก็รักเกลียดเกลียดเพื่อนรักละความชั่วออกจากใจไม่ส่งเสริมโจรความผิดของเรามันฝ่ายกรรมไม่เอานะมันเป็นบาปเป็นกรรมไม่ทําดำพันๆยัง ถ้าเกิดจะคิดถึงไม่ปาปบาปวัด 3 และจิตกรรมถ้าไปทําตามความคิดว่าเป็น อีกมันนึกโลนปฏิกิริยาคิดอยากจะฆ่าคนโน้นคิดเฉยๆไม่ ถ้าไปทํามันก็หว่าแต่ถ้าคิดทางดีก็เป็นบุญนะอัน คงเส้นคงวาตลอดรอดฝั่งชื่อสัตว์สจริต เทวราหินอย่ายอมไม่ว่าหยินเราก็รู้นะ กรรมคือการกระทำเข้าเหมือนกันเหมือนกับเราเกิดมา นายก็นี้เป็นอยู่คนหนึ่งอย่าจะเป็นเยอะแยะอะไรเป็นเลยเขายังไม่ราวบาปก็เหมือนกันทําให้ผลภพนี้กรรมไม่พ้นภพหน้าทํา ไอ้ชื่อโยนั่นน่ะจนเกียดถ้าคนศีลคุณทานคิดถึงเมื่อใด เหตุมาแล้วคิดถึงแก่บาปงั้นแหละทุกข์กติ เราทําไมจึงทําบุญให้ทานไม้ฝาก ชื่ออะไรก็ตามถึงจะมีมากขนาดนั้นอิ่มแล้วหยุดเลยโอ๊ยอร่อยจังชะลายมันรับไม่ไหวแล้วอิ่ม เย็นเท่าตอนเย็นก็หิวแล้วก็ไม่อิ่มเดี๋ยวนี้อิ่มแล้วตอนเย็น เข้าปากท้องของเรายังไงล่ะมันไม่เต็มสักทีนี่งั้นกลับทิ้งลงหีว ไฝ่เงินกะงัวห่างัว 3 ไสนี่กับเกิดตัวว่าไมเรามี จำแนกลืบตาโลโลกนั้นเอาผลของพ่อแม่ท่านจึงให้เทิดทูนบูชาเรามีวันนี้ เราทำบุญอุทิศให้ให้โชคชาบแสงอยู่ยินเป็น อันดาวฤกษ์ท่านจึงเสด็จลงมานี้แหละเป็นเรื่องอย่างตัวอย่างให้นี่ เรามาจากพ่อแม่นะเราอาศัยท่านวิญญาณมาปฏิสนธิรวมสังฆาตวิญญาณมาปฏิสนธิพระ ไม่รู้ว่ามาจากไหนนี่มาปฏิสนธิพรรณนานี้แหละท่านจึงรับผิด เกลอรูปนะพอม방ครั้งสุดท้ายอยู่ ขอให้ลูกเป็นคนบุญแม่ดูบุญคนพ่อ ในพุทธศาสนาเหมือนพวกเราทําบุญให้ทานนั่นแหละฝากเอาไว้ การผอมปลานี่ย่อมในของปลานี่ตอบแทนเพิ่นจะท้อนย้อนกลับ อะไรจะชาติแล้วทํากรรมอะไรไว้ไม่รู้นะไม่รู้ อ่าย่อมจำแนกชัดให้ได้รับญาณิชต่างๆกันเพราะการกระทำ อย่ารูปสวยโดยทัศน์เหมือนกันทุกคนนะไม่ พอให้เจ้าจัดไปศรานํานําเข้ามาใกล้ไม่ยังไม่ บอกให้ฟังทั้งที่รักที่สุดนะไม่มีอะไรจะเป็นใหญ่เฉพาะจนเราบอกรุ่งสอนหนานเค้าก็ฟังอยู่นะแต่เราถนุดเลย เคยเห็นมั้ยคนใหญ่เครือเล็กหมดลมตายพระราชคนแล้วไม่พอโลก อะไรไม่มันไม่พออีกน้ําดอกนี้ก็เค้าอยู่ มืดแล้วก็สว่างมืดแล้วก็สว่างในใจโลกอันนี้มันโลกอันนี้มัน มันไม่ยากไม่ง่ายเมื่อเจ้า lang en licht, licht of lang en dan niet zo moeilijk om te leren. Als het veel moeilijker is, dan is niet zo niet dan คำมั่งล่าทั้งกล่วงเด todos geri Pomis ไม่ควรยืดมั่นถือมั่นถ้าไปแ обс Already um transcires สามารถที่อย่างกลางปัญญาอย่างละเอียดนี่แหละตะกาวทุกขภาคาน ที่พระความไม่เที่ยงอยากให้มันเที่ยงอยากเอาแต่ความสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ อาร่อยประมาทมันก็อนัตตาอัตตานัตตาสมมุติวิมุตติโดยอย่างไรก็ตามรักตน ชานหน้าพบหน้าจนกว่ารุ่งคิรีกว่าลืนเอามั้ยไม่เอาได้ก็เพราะบุญนะกําไรชีวิตทุกสิ่งทุกอย่าง เธอไม่ดีอันไม่ใครดวดศูนย์ไม่ได้นะ กรรมใหม่โลกนี้คือโรงแรมนะแต่เช่าโรงแรมเค้าก็อยู่ถึงกําหนดก็จะไปโรงแรมเค้าจะได้ อย่ามาหลงโลกอย่ามาโรงแรมเพราะนั้นถ้าเข้าใจแล้ว ถ้าไม่มีบุญวิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเฉื่อยๆนะบุญพลังชีวิตเบื้องลึกๆไม่มีบุญเราก็ถือว่าเรา มีน้ำใจญาติสนิทพุ่นถ้าญาติสนิทผลทานรวยก็จริงแต่ว่าไม่มีญาติไม่มีมิตรไม่เคยจะทำร่วมกันมีแต่ ข่าว